การมาวัดมาวัดมาทําบุญ ท, ทําทานตะเมนว่าเาทาสี่เอาอันที่อันที่ในโลกมันนี่เอาของที่นี่อยู่ในโลกมาแลกทองมาแลกเอาของขอนโลกโบมี่นี่แหละมีการการทำบุญ ท, ทําทานมาวัดนการมาวัดเนี่มาทําบุญ ท, ทําทานวัดมันดีอย่างหนึ่งว่า เข้าแน่ใจว่าผู้ศรีศิลป์ท่านเป็นผู้มีชินเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตัวดีแล้วเามีความือเสื่อมันา่าปเจ้าประสงค์ผููบาอาจารย์เพิ่นยิด่ดีเป็นปฏิบัติดีเพิ่นเป็นพระนี่ใจเป็นพระมี่วามประพฤติต่างๆเป็นพระนีความสงบสังบ้อนสำรวมจากบาปจากกิเลสต่างๆ อันนี้ไฟ ฟ, ฟูรักท่านเข้าคืนว่าเพลินดีเข้าคืนว่าเพลินดีแล้วใจเขามันสบายการได้ซอยซอยพ้นที่พ้นดีสี่เข้ากบบอยากซอยไม่ใช่หลอกการซอยพระเจ้าประสงค์ผู้เพ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยน่าจะเป็นซอยเสด็จสู้ศ า, าสนาอันให้เข้าได้หฮมได้เย็นยืดขึ้มือนี่ยูดดีหฮมเย็น ยืดในประเทศเท่าบ้านเท่าสังคมเท่านี่ย้อนพระพุทธศาสนานล่ะพระังคุดแม่แผนบางๆก็ดเบงเขาอยู่ดีสมายมีคว่มเปลือเปลือเพือเอเ่อแพ่กันนไอ้ทีย้อนพระพุทธศาสนานคอนซิวบอลไซไกคุณนั่นคอยไซไกคุ้นั่นเข้าในเมื่อเกิดร่างนี้นะ่ะในเมื่อเกิดร่างนี้ในเกิดไม่ยุคสมัยนี้ก็ย้อนบุญเนี่เดียวนี้เนี่ย บ้านเมืองอื่นๆเขาทุกเขาหยากเดือดพอนลบลากข่าวขั้นกันยุติมี่ให้ธรรมศาสตร์พิจารนีร่างมองร่างทีอยัวมองหนาวหนาวหนาวสุดหนาวไปยังบทท่านตายเลยต้องหาแนวยื้แนวกินแต่นี่เลยเขาเด็มาเกิดว่างนีมันพอดีนี่อันนี้ก็เป็นบุญย้อนย้อนเท้าถําบุญนี่แหละพระศาสนากาวไหวอยู่บาบุญต่างๆมันทรงมันขอดค่ามพบความสาดไปนี่สิล่ะ นี่มเขามาวัดเนี่ยมันสรุปแล้วไม่เป็นการเอาของนี้อยู่ในโลกนี่ล่ะเขาไปขวดไปเชียยังได้มาหามากเอามาแลกเอาอันอันแนวโลกเขาโบนี่อันมันดีกว่าโลกนี้เอ็นบะบุญนี่บุญนี่เก็บยู่ไสฮในี่เก็บอยู่ในกระเป๋าบอกแล้วเก็บยึใส่เนี่เก็บในหีบในตาบุญเก็บยู่ใจ่แต่คิดตรงวัดท่านใจให้ เบิกบานเรื่องมาทำบุญเห็นคือวามันได้บุญอย่างหน่อยทสุดๆก็คือว่าคู่บาอาจารย์เป็นคู่อยู่ในทีนในวินัยเขาพึ่งปฏิบัติสมควรเป็นสมณะเท่ากับสะออนสะออนใจเท่ากับดีใจเท่ากับเบิกบานมาดีแขนง้นงได้รับรับของที่เท่าท้ำท่านทำบุญแล้วเห็นเพื่นว่าคนรับแล้ว คนได้ใช่คนได้บริปโภคเชีงเข้าออกเขาป่าอาหารมาถวายจริงๆแหละคนได้บริโภคของเท่าเนี่เท่ากบบดีใจว่า่นสีเยืนยงคงเหง้าชีวิตต่อไปอีกเปนกสิดีรักษาพระพุทธศาสนาปฏิปุปพฤทปฏิบัติถ้ำเพ็ดโตของคนเนี่ยมันเป็นภาคนไปอีกงสนะเท่ากับคืดว่าเขาศาสนาก็สเยืนอิเง้ามันคงย้อนเท่านี่แล้วย้อนข้าเขาเ่านี่แหละ พืชกังซี่เข้ากัใจเบิกบานขึ้นนะเนี่ยนะฮะล่ะพ่วมเบิกบานเราเนี่ยมีเก็บไว้ในใจใจเข้าเบิกบานเข้าหูงจับดอกทันได้ผลเมื่อีแหละผลจากบุญจากผู้สนนี่แหละเป็นเครื่องชร้อยมือไห้พระกาสนายเนื้อเงาอิริแล้วการเข้าท้ำบุญเท่อนี้นี่ยมันสืบต่อไปต่อไปไพนานี่ยกันแม่นว่าในศาสตร์นี่ ตอนเต ป, ปลายไกลเตยพุน่นข่วมเป็นยูของเฮ้ามันติดดีสุนเด้โอกาสของเฮ้าจังหวะของเฮ้ามันสิดนี่มันติดดีสุนอันผู้อื่นอยู่ล้วหมากเดือดร่อนทุกง่ายอัตศขัดขาดแฉนเท้าบกขาดข้เท้าท่าบุญทําท่านใจนั่นใจนั่นหนี้อานาจมันไปสางค่วมดีสางค่วมสะดวกสบายเลยเฮ้ายู พันผู้ที่เชิงเขาเชงที่อัดที่จนมันจากนีเหตุไหนมันแควมันขาดไปอยันนี่เนี่ยเป็นผลของบุญในข้อสันคตเช่นที่หล่ะแล้วก็บาบอกมันได้พบนี่ทราบนี่หรอกทำไม่ให้าตายไปหนึ่งผู้ใดเสียเอาอยางไปกันนะมู้ยใสเอายางได้อยู่นี่เเอาไปก็ได้กันผู้เฮ็ดบุญที่ได้ไปอันนี่ตัดไปเกิดทุนละอันนี้ได้รับความสบายคืนตัว น, น, นี่อีกแต่ผลของบุญเขาซ่อมเห็นบ่หละ่ะ ทางข้นมาเกิดเกิดอยู่ในนี่แหละยุคเข้าเนี่ยสมัยเข้าเนี่ยเกิดมามันเหตุอย่างคือจังพวงจังเฮืองโลดคือจังโต๊ดีโลดจังวะมันก็ดีโลดทันทีมันเป็นอย่างเดยเป็นอนวกันมันเฮียนตั้งแต่เฮียนมาคือเข้าเนี่ยไปทํางานก็ทํางานมองเดียวกันแต่ว่าจังหวะมันคือดีแค่มันคือฮวงไว้แท่เฮืองไว้แค่มันเป็นผลของบุญนี่แหละมันเหตุในเข้าได้ต๊ะมองที้มันสะดวกสบายมันดีขึ้นอย่นงกั นี่แหละเป็นผลของบุญเท่านั้นแหะก็สีใหญ่เึ็นมาเป็นฟูเป็นคนอยู่ําเท่านี่จะสี่เทาสี่ล่ตัวนี้สี่ล่ตัวนี้จดทุนทําบุญต้น ท, ท่านไหวพระจำศีล ม, มาห่เป็นแล้วมันก็คอยดีขึ้นไม่เสีย